เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สามวันที่24สถึง30เถียงจากคนละโลกครั้งต่อๆมาไม่ว่าจะคุยโทรศัพท์หรือเจอหน้ากันฉันพยายามตั้งข้อสนทนาให้โยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการฝึกสติตลอดและได้ใจที่เห็นคนรักของฉันรับฟังเสมอฉันกระตือรือร้นยิ่งกว่าความเก้าหน้าของตัวเองโดยเฉพาะเมื่อเธอมีคาถาม และฉันสามารถกำหนดจิตช่วยไขยข้อข้องใจหรือขจัดอุปสรรคให้เธอได้อย่างเช่นวันหนึ่งเธอนั่งสมาธิแล้วเกิดความเครียดทั้งที่ก็แน่ใจว่าพยายามรู้สบายสบายพอฉันให้เธอลองทำก็เห็นอาการพยายามดึงลมหายใจยาวผิดปกติฉันก็ชี้ให้เห็นว่าระหว่างวันเธอยังหายใจอ่อนอยู่จู่ๆจะมาเร่งลมให้แรงปุบปับ พอทำนานไปก็เครียดน่ะสิลมที่ไม่เป็นธรรมชาติไม่สมส่วนกับการหายใจตามปกตินั้นจะนำมาซึ่งผลข้างเคียงอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอฉันจึงแนะนำให้หัดหายใจขณะหลับตาทรมสมาธิให้เท่าๆกันกับขณะลืมตาระหว่างวันรวมทั้งมันเน้นให้เธอเห็นว่าการรู้ลมหายใจระหว่างวันจนเป็นอัตโนมัติ มีความสำคัญยิ่งกว่าการนั่งหลับตาทำสมาธิชั่วคราวประเดียวประดาวเพราะสติที่เกิดขึ้นเรื่อยๆตลอดวันย่อมมีกำลังมากกว่าสติที่ตั้งอยู่แค่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงต่อข้อสงสัยว่าแล้วอย่างนี้ตั้งสติเฉพาะตอนลืมตาในชีวิตประจำวันไม่ดีกว่าหรอทำไมต้องลำบากลำบนนั่งสมาธิด้วย ฉันก็อธิบายจากประสบการณ์ว่าการตั้งหลักด้วยวิธีฝึกหลับตากำหนดให้ท่าทานลมหายใจเข้าออกมีส่วนช่วยเกื้อหนุนให้เกิดสติระหว่างวันเป็นอันมากโดยเฉพาะถ้าเราฝึกในช่วงเช้าหลังตื่นนอนกับช่วงค่ำก่อนนอนหลับจะเป็นการช่วยปัดเป่าความฟุ้งให้เบาบางลงทำให้มีความสุขความสบายและพึงใจตั้งสติตามลมหายใจยิ่งยิ่งขึ้น ฉันให้กำลังใจว่าช่วงเริ่มต้นนี้เธอยังต้องตามรู้คือยังต้องกำหนดสติตั้งใจดูไม่ตั้งใจไม่ได้บางทีจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่ฉันบอกได้เลยว่าเมื่อเกิดจิตผู้รู้แล้วสติเป็นอัตโนมัติแล้วถึงแม้ไม่ตั้งใจจะรู้ก็รู้เองเป็นสุขกายสบายใจตามสภาพจิตที่ปลอดจากความฟุ้งซ่านเองซึ่งข้อนี้ ทำให้เธอเริ่มเห็นคุณค่าในอันที่จะฝึกให้ต่อเนื่องเพราะที่ผ่านมาเธอรำคาญความฟุ้งซ่านชนิดหยุดไม่ได้ของเธอเองเต็มแก่ทุกอย่างเหมือนดำเนินไปด้วยดีแต่คนเราคบกันนานๆพูดกันบ่อยๆโอกาสพลาดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็เกิดขึ้นได้เสมอและบางทีการพลาดก็ตั้งต้นจากคำถามง่ายๆ ซึ่งไม่น่าเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งที่ตามมาได้เลยเธอถามว่าอะไรดึงฉันมาสนใจการปฏิบัติธรรมภาวนาขนาดนี้ทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยพูดถึงพุทธศาสนาไม่เคยพูดถึงพระพุทธเจ้าและยิ่งไม่เคยพูดถึงการเจริญสติปัฏฐานสักคำฉันก็เล่าย้อนความนับแต่เจอครูธรรมะคนแรกรวมทั้งเอาสมุดบันทึกลับเฉพาะให้คนรักอ่านด้วย โดยลืมไปสนิทว่าบันทึกวันที่เก้านั้นมีความรักของฉันเกี่ยวข้องอยู่ด้วยฉันบรรยายกระทั่งความรู้สึกลำบากใจในการรับนัดของเธอไม่นึกว่าเธอจะคิดมากขนาดนั้นได้เห็นจริงๆว่าความคิดคนอื่นเป็นอนัตตายอย่างไรควบคุมให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้อย่างไรเธออ่านเสร็จก็ถามว่าวันหนึ่งฉันจะทิ้งเธอไปไหม ฉันอ้ำอึ้งและตอบอย่างหนักแน่นว่าถ้าเราเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติภาวนากันไปเรื่อยๆอย่างนี้ฉันไม่มีเหตุผลใดๆจะต้องหันหน้าไปจากเธอในเมื่อฉันก็ยังอยู่บนเส้นทางเดิมแต่เธอก็ถามอีกว่าแล้วถ้าฉันถึงภาวะเหนือโลกละ่ะอ่านจากประสบการณ์หนึ่งอาทิตย์ที่ปลิกวิเวกในช่วงต้นเดือนนี้แล้วเห็นได้ชัดว่าฉันจะไม่มีความยินดีข้องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามเลย ถึงเวลานั้นฉันจะเอาเธอไปไว้ที่ไหนฉันเกือบพูดไม่ออกบอกแต่ว่าชาญไม่ใช่ของเกิดกันได้ง่ายๆเกิดมาฉันเพิ่งทำได้หนเดียวและอย่าว่าแต่ชาญเลยสมาธิฉันดีที่พาใจพรากห่างจากกามก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอขณะต้องดำรงชีวิตแบบคนเมืองอย่างนี้แต่ความคิดประจําเพศไม่ทําให้เธอหยุดยั้ง เธอมีคำถามผ่านพาโลตามมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นคาดคันจะเอาคำตอบให้ได้ว่าทำไมฉันต้องคิดไปนิพพานอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดหรอกเร้อฉันตอบว่าเปรียบเหมือนคนกำลังจะจมน้ำาพอใครมาบอกวิธีขึ้นเรือก็ต้องรีบขึ้นเรือพอใครมาบอกทิศทางและวิธีพายเรือเข้าฝั่งก็ต้องรีบแล่นไปหาฝั่ง คงไม่มีใครทิ้งโอกาสทองมาตะเกียดตะกายต่อเพียงเพื่อได้รับการสรรเสริญว่าเป็นผู้ไม่เอาตัวรอดและคิดดีๆผู้ลอยคอกลางน้ำด้วยกันย่อมไม่อาจหอบหิ้วกันเองกระทุ้มตัวเข้าหาฝั่งได้สำเร็จต้องมีใครสักคนเพียรขึ้นฝั่งซะก่อนและค่อยหาวิธีต่อเรือลำใหม่มาช่วยคนที่ยังอยู่ในน้าได้อีกฉันยกตัวอย่างว่าแม้อาตัวยังไม่รอด ก็มีกรใจห่วงเธอและเพียรพยายามช่วยเหลือเธออยู่เต็มกำลังอย่างเนี้ยจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวได้ยังไงเธอเล่นไปคิดห่วงล่วงหน้าถึงอนาคตเปไกลกลัวฉันจะบวชกลัวฉันจะหลีกเร้นหายหน้าไปขอให้ย้อนกลับมาสํารวจถูกว่าถึงไม่ต้องคิดบวชสละโลกเธอเองเคยทิ้งใครมาก่อนไหมคนที่กําลังมีกิเลสในโลกนี่แหละมีโอกาสหลายใจเปลี่ยนใจ แปลใจเป็นอื่นคิดทิ้งคว้างกันยิ่งกว่าคนฝ่ายใจทางธรรมมากนักเธอเงียบอึ้งไปนานก่อนยอมรับว่าคิดมากไปห่วงว่าฉันเบื่อแล้วจะทิ้งง่ายๆเธอคงทนไม่ได้ฉันฟังด้วยความสะอึกอึ้งเงียบงนันคนเราเป็นกันอย่างนี้จริงๆตอนทิ้งคนอื่นไม่เป็นไรแต่ใครอย่ามาทิ้งตัวก็แล้วกันโลกแตกเป็นสิ่งเสียงแน่ นับแต่วันที่เถียงกันครั้งแรกฉันรู้สึกว่าแฟนชักกังวลไม่เป็นสุขและไม่ค่อยเต็มใจคุยเรื่องภาวนาอีกหรือคุยแก่นแกนไปอย่างนั้นไม่ขวนขวายกระตือรือร้อนเหมือนช่วงต้นฉันจึงตระหนักเลยว่าการทำความเข้าใจศาสนาให้เกิดความเห็นถูกเห็นชอบเห็นตรงนั้นสำคัญกว่าการทาสมาธิหรือแม้แต่การเจริญสติเพราะความเห็นที่ถูกตรงขึ้นใจเท่านั้น จะพาเราขึ้นทางและรักษาเราไว้ในทางส่วนการทำสมาธิและการเจริญสติที่ปราศจากความมีใจสมัครและเห็นชอบด้วยตนเองนั้นอาจถูกละเลยและทิ้งคว้างเมื่อใดก็ได้ที่เกิดความเห็นผิดอื่นๆมาเบียดเบียนแล้วกว่าใครสักคนหนึ่งจะเห็นถูกเห็นตรงกับทั้งมีใจปรารถนามรรคผลนิพพานด้วยตนเองนั้นก็หาใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยง่าย ต้องอาศัยเหตุปัจจัยมากมายพื้นฐานของตนเองต้องเ อ, อื้อต้องเคยครุ่นคิดเกี่ยวกับสิ่งดีที่สุดในชีวิตมาบ้างนอกจากนั้นต้องมีวิธีเข้าถึงคำสอนแท้ๆของพระพุทธเจ้าหากทุกอย่างพร้อมหมดแต่ขาดวิธีการถูกต้องก็ติดหลงวนเวียนหาทางออกไม่เจออยู่ดีแฟนฉันเกิดมายังไม่เคยเจอทุกข์หนัก เรื่องยกเอาทุกเช่นการแก่เจ็บตายความต้องพรากจากของรักต้องร้องไห้คร่ำครวญเพราะอุปาทานในตัวตนมาพูดนั้นนับเป็นการเปล่าประโยชน์เธอยังไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดด้วยซ้ำเกิดมาก็พบแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่หวังแม้การเลิกกับแฟนแต่ละคนก็ล้วนเป็นเธอเองที่กําหนดคนประเภทนี้คิดดูก็โชคร้าย เพราะอยู่ในชาติที่มีสิทธิ์ออกจากสังสารวัตรแล้วแต่สุขกายสบายใจสะจนไม่มีแก่ใจอยากออกไม่รู้จะออกไปทำไมทางออกก็เดินยากลำบากและต้องสละโน้นสละนี่ยยอะแยะไปหมดคืนหนึ่งขณะที่ฉันกำลังฝึกสมาธิแบบเห็นกลางคืนเป็นกลางวันด้วยความติดใจอยู่นั่นเองคนรักก็โทรมาตอนนี้ฉันปิดสัญญาณโทรศัพท์ไม่ได้ เพราะจะถูกเธอตัดเพาอต่อว่าหน้าดูชมตอนแรกก็ชวนพูดคุยหยอกล้อสนุกสนานเฮฮาแต่พอครึ่งชั่วโมงผ่านไปฉันก็รู้สึกว่าเธอใช้น้ำเสียงแบบจะพูดเข้าเรื่องคือถามฉันตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมว่าฉันอยากมีลูกหรือเปล่าถ้าเป็นแต่ก่อนคงตอบทันทีว่าอยากสิโดยเฉพาะมีลูกกับเธอนั่นแหละ แต่เดี๋ยวนี้สถานการณ์ต่างไปฉันอดคบหาเธอไม่ได้ก็จริงแต่อีกใจก็ไม่อยากมีห่วงไม่อยากมีพาราไปอีกอย่างน้อย2ี่สิบกว่าปีต้องเสียเวลาประครบประงมเด็กแปลกหน้าที่จะมาเป็นลูกอาการอึอ้งเป็นคำตอบที่ดีพอเธอหัวเราะเสียงปลาและบอกฉันว่าแค่เนี้ยชีย้ได้ไหมว่าฉันถูกศาสนาสอนให้เป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่ยอมทำหน้าที่ของมนุษย์ตามธรรมชาติการดํารงเผ่าพันธุ์อยากสบายเอาตัวรอดคนเดียวถ้าเธอแต่งงานกับฉันเธอก็คงพลอยไม่ได้ทำหน้าที่ของผู้หญิงอย่างสมบูรณ์ไปด้วยฉันถอนใจเฮือกใหญ่ใส่กระบอกโทรศัพท์ให้เธอได้ยินถามเธอด้วยความหงุดหงิดว่าทำไมมาพูดเรื่องนี้ห่วงเรื่องนี้เร็วนักในเมื่อเราเพิ่งกลับมาคบกันใหม่ได้แค่สองสามอาทิตย์ เธอตอบว่าไม่เกี่ยวกับเช้าเร็วแต่เกี่ยวกับน้ำใจฉันเองเรื่องน้ำใจนั้นรอไปสิบปีก็สร้างไม่ได้ถ้าขาดปัดจจัยพื้นฐานแต่แรกพอเห็นฉันเงียบเธอก็เริ่มใส่ใหญ่ไม่มีแล้วความน่ารักไม่เหลือแล้วความประณีประนอมพอเธอขาดเหตุผลขึ้นมาก็หาอะไรมาทิ่มตำเรื่อยเปื่อยตามวิสัย่านของปุถุชนเธอประชดว่า ทำไมไม่บุดบวดไปซะเลยจะได้มีคนสาทุอุดหนุนให้เร่งขึ้นฝั่งมาอยู่เป็นคาราวาสให้เธอเข้าใจผิดอย่างนี้ทำไมฉันงงค้างไปหมดช่วยเธอทบทวนความจำว่าเมื่อสามอาทิตย์ก่อนเธอเป็นคนโทรมาหาฉันเองนัดฉันทานข้าวเย็นเองฉันไม่เคยไปหลอกลวงหรือให้ความหวังอะไรเธอเลยยิ่งคนเราถูกรุนให้โกรธก็ยิ่งพูดพูดพูดไม่ยัง้ง เช่นเธอชวนเที่ยวผับตอนกลางคืนก็ปฏิเสธจะขอนั่งสมาธิเสพสุขอยู่คนเดียวไม่เหลียวแล ว, ว่าเธอต้องการอะไรและกะแค่ถามเรื่องลูกก็เผยออกมาแล้วว่าไม่อยากรับผิดชอบฉันกลายเป็นคนลอยตัวเหนือปัญหาและภาระทั้งปวงอย่างเนี้ยจะทำให้เธอมาศรัทธาตามฉันได้ยังไงความเปลี่ยนแปลงของฉันมาจากไหนเธอคงต้องเริ่มมองแล้วว่าพระพุทธเจ้า สอนให้ฉันเห็นแก่ตัวฉันหายใจวู่อ・อยู่ๆจิตก็รู้ขึ้นมาเฉยๆว่าด้วยวจีทุจริตที่ทำด้วยใจหนักแน่นประกอบด้วยความหลวงผิดไม่รู้ว่าเป็นบาปได้ปฏิรูปเป็นเงาดำดวงหนึ่งที่รู้ได้ด้วยใจเงาดำนั้นจะส่งผลในอนาคตให้เธอถูกกล่าวหาว่าเห็นแก่ตัวโดยกรรมจะรอจังหวะประจวบเหมาะว่าเมื่อใด เธอทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งที่ได้รับคือความเข้าใจผิดจากคนรอบข้างอย่างรุนแรงชนิดทำดีเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นถูกกล่าวหาตลอดทั้งนี้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นมหาบุรุษที่ตรากตรำเลือดตาแทบกระเด็นช้านานกว่าจะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันต์องค์แรกของโลกแล้วแทนที่จะสวยวิมุตติสุข ตามลำพังยังยอมลำบากสถาปนาพุทธศาสนาเพื่อบอกทางรอดแก่มนุษย์ผู้มีปัญญาทั้งหลายแต่นี่มากล่าวตูพระองค์ด้วยโทสะหาว่าท่านเป็นผู้นำแห่งความเห็นแก่ตัวเสียนี่ในใจแฟนฉันเธอคงรู้สึกว่าพูดไม่หนักเท่าไหร่เนื่องจากเป็นการว่ากระทบผู้อื่นที่ไม่ใช่ตัวฉันแต่ในใจฉันสิ ทั้งกลุ่นโทรศักด้วยความรู้สึกยิ่งกว่ามีคนมาด่าพ่อทั้งสลดสังเวชสงสารเธอที่หาเรื่องใส่ตัวด้วยความไม่รู้โดยแท้ตกลงฉันพยายามเขี้ยวเขียนให้เธอมีความชอบในการเจริญภาวนาเพื่อผลสุดท้ายคล้ายโปรยยาพิษให้เธอต้องดาวดิ้นทรมานในภายหลังก็ น, นั้นหรือเนี่ยฉันเห็นแล้วการยัดเยียดแก้วล้ำค่าเกินตัวใส่มือคนรัก บางครั้งนอกจากจะไม่เกิดผลดีอันประเสริฐแล้วยังอาจนำภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวงมาสู่เขาอีกด้วยฉันน่าจะเห็นตามจริงว่าเธอเข้ามาหาฉันด้วยเหตุผลทางโลกยากที่จะเบี่ยงเบนมาทางธรรมเว้นแต่จะมีนิสัยเก่ารองรับอยู่หรือสนใจใครรู้เต็มใจศึกษาด้วยตนเองก็ว่าไปอย่างแต่นี่ฉันไม่ปูพื้นให้เธอซึมซับรับรู้ให้เธอเข้าใจ ให้เธอเห็นค่าของศาสนาด้วยตัวเองเสียก่อนก็แปลว่าฉันคือตัวแทนทั้งก้อนของศาสนาเมื่อเธอมองฉันเป็นอย่างไรก็ผ่านพาโลมองศาสนาเป็นอย่างนั้นไปด้วยหลังจากนั้นสติฉันพลาลงกว่าครึ่งจำได้แต่ว่าพยายามเลี่ยงไปพูดเรื่องอื่นและไม่วกกลับมาคุยเรื่องศาสนาอีกเธออาจรู้สึกตัว ก่อนวางเลยขอโทษที่ว่าฉันแรงเกินไปฉันตอบว่าไม่เป็นไรซึ่งติดอยู่ในปากตลอดเวลาที่คบกับเธอหลังวางโทรศัพท์ฉันมานั่งบนเตียงทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นแต่แรกนับจากได้ยินเสียงโทรศัพท์เรียกเกิดนิมิตสมาธิเป็นใบหน้าเธอแจ่มชัดนิมิตสมาธิไม่ได้บอกฉันเลยว่าคนรักเก่าจะมาทําให้การภาวนาพังหมด เธอมาคนเดียวเหมือนพ่วง ก, กองทัพกิเลสทุกชนิดครบสูตรทั้งราคะโทสะโมหะฉันได้แง่คิดหนึ่งคือนิมิตสมาธิแม้แม่นยำแต่บางทีก็บอกอะไรเราได้เท่าที่เพดานปัญญาของเราจํากัดอยู่ปัญญาของฉันยังไม่สูงเหนือโลกยังติดอยู่กับโลกก็บอกฉันแค่ใครเป็นคนโทรมาซึ่งไม่ได้มีค่ากว่าตอนยกหูโทรศัพท์แลรู้ด้วยหูเลยแม้แต่น้อย แต่ถ้าเพดานปัญญาชั้นสูงกว่านี้ปิดกั้นการมาสูขเด็ดขาดกว่านี้พอเกิดนิมิตหน้าแฟนเก่าแล้วคงมีเครื่องหมายบางอย่างบอกด้วยละวว่าเธอจะนำความพินาศมาสู่การเจริญภาวนาคิดไม่ตกว่าควรทำยังไงแน่ใจอย่างเดียวคือความรู้สึกของฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่มองเพื่อความปลอดภัยของเธอเอง ถึงแม้ใจฉันยังเปิดรับภาวะคู่ก็คงไม่ใช่เธอแน่แล้วชีวิตฉันเบี่ยงจากวงโครจรแบบของเธอมาแล้วคงไม่อาจต่อเชื่อมกันได้ติดอีกกระมัง